แสดงธรรมครั้งสุดท้ายมัชิมายามผ่านพ้นไปแล้วคือผ่านสองนาฬิกาของวันที่สามสิบตุลาคมแล้วหลุงปู่ได้แสดงธรรมว่าด้วยลักษณะการแห่งพุทธปรินิพานด้วยเสียงนั้นปกติตามปกติในระยะหลังๆนี้ ท่านมักจะแสดงธรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ใครๆฟังเสมอท่านกล่าวว่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสร้างพระพุทธศาสนาให้ก่อเกิดอย่างบริบูรณ์ดังกระสงค์แล้วพระองค์จึงได้ทรงละวิภวตันหานั้นเปรจเข้าสู่อนุปาธิเสสนิพานคือทรง เป็นผู้หมดสิ้นทุกตัณหาเป็นผู้หมดสิ้นทุกตัณหาทรงเป็นผู้ดับรอโดยลักษณะการแห่งอนุปาติเตสนิพานของพระองค์ลำดับแรกก็เจริญฌานดิ่งสนิดเข้าไปจนถึงสัญญาเวทยิตะนิโรธ หมายความว่าเข้าไปลึกสุดยุนเหนืออรูปฌานในวาระแรกนั้นพระองค์ยังไม่ได้ดับขันต่างๆให้สิ้นปนิดเด็กขาดแต่อย่างใดเพียงแต่เข้าไปเพื่อทรงกระบวนการแห่งการเข้าสู่นิพพานหรือนิโรธเป็นครั้งสุดท้ายแห่งชีวิตผู้ยง่ายก็คือ สู่สิ่งที่พระองค์ได้สร้างได้ผากเพียงก่อเป็นทางเป็นแบบอย่างไว้เป็นครั้งสุดท้ายเส้นหน่อยซึ่งเรียกได้ว่าสิ่งอันเกิดจากการที่พระองค์ได้ยอมอยู่กับทุลีทุกอันเป็นทุลีทุกที่มนุษย์ธรรมดามีจิตหยาบเกินกว่าที่จะสมัมผัสว่ามันเป็นทุก นี่แหละกระบวนการกระทาจิตตนให้ถึงสัญญาเวทยิตนิโรธเป็นกระบวนการที่พระอนุตรรตรสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นยอดศาสดาในโลกเท่านั้นที่ส่งคลนพบทรงนำมาตีแผ่เผยแจ้งออกสู่โลกให้พึ้นปฏิบัติตาม เมื่อทรงสิ่งสุดท้ายนี้แล้วจึงได้ถอยกลับมาสู่ภาวะต้นคือปฐมมชานล้วตัดสินพระทัยครั้งสุดท้ายสเสด็จดับขันต่างๆไปทีละขันวิญญาณขันแห่งชีวิตและร่างกายนั้นได้ดับไปตั้งแต่ก่อนจะเข้าสู่ปรมมชานนานแล้วเพราะต้องดับ สังขารขันหรือสังขารธรรมขั้นแรกก่อนวิญญาณขันจึงได้ดับบางนั้นจึงไม่มีเชื้อใดเหลืออยู่แห่งวิญญาณขันที่หยาบมันพระองค์เริ่มดับสังขารขันหรือสังขารธรรมชั้นในสุดอีกอันจะส่งผล ให้กอวิภวตัณหาได้ชั้นหนึ่งเสียก่อนแล้วจึงเลื่อนเข้าสู่ทุติยชาญแล้วจึงดับสัญญาขันเลื่อนเข้าสู่ตติยชาญเมื่อพร้มดับสังขารขันหรือสังขารธรรมชั้นในสุดอีกทีก็เป็นเลื่อนขึ้นสู่ แต่ตุตตะพัดฌานคงมีแต่เวทนาขันสุดท้ายแห่งชีวิตนั่นแรลคือลักษณะการแห่งขั้นสุดท้ายของการจะดับสิ้นไม่เหลือเมื่อพระองค์ดับสังขารขันหรือสังขารธรรมใหญ่สุดท้ายที่มีทั้งสิ้นแล้วก็มาดับเวทนาขันอันเป็นจิตขัน หรือ น, นามขันที่ในจิตส่วนในคือพวังกจิตเต่ก่อนแล้วจึงออกจากจตุตตะฌานพร้อมกับมาดับจิตตขันหรือ น, นามขันสุดท้ายจ ร, จริงๆที่ตรงนี้พระองค์ไม่ได้เข้าสู่พระนิพพานในฌานสมาบัติอะไรที่ไหนหรอกเมื่อพระองค์ออกจากจตุตตชฌานแล้ว จิตขันหรือนามขันก็ดับพร้อมไม่มีอะไรเหลือนั่นคือพร่องดับเวทนาขันในภาวะจิตตื่นหรือวิถีจิตอันเป็นปกติของมนุษย์ครบพร้อมทั้งสติสมัมปชัญญะไม่ถูกภาวะอื่นใดมาครอบงำอัมพรางให้หลงไหลใดใดทั้งสิ้น เป็นภาวะแห่งตนเองอย่างบริบูรณ์ภาวะอันนั้นจะเรียกว่ามหาสุญญาตาหรือจักรวาลเดินหรือจะเรียกพระนิพพานอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เราปฏิบัติมาก็เพื่อถึงภาวะอันนี้วาจาของหลวงปู่สิ่นสุดลงเพียงแค่นี้หลังจากนั้น ไม่มีวาจาใดออกมาอีกเลยหลุมปู่นอนหลับตาสงบหายใจเบาๆตามประกติผู้ที่เฝ้าท่านนั่งอยู่ห่างคอยสังเกตดูด้วยความสงบเมื่อเวลาผ่านไปถึงปีสามกว่าจึงสังเกตเห็นว่าท่านหายใจอ่อนมาก ลมหายใจของหลวงปู่สิ้นสุดลงเมื่อเวลาสีนาฬิกาสิบสามนาทีเป็นลักษณะการมรณภาพที่สงบสังิเป็นการบังเอิญหรืออะไร ก็เหมือนหนึ่งว่าหลวงปูก่กำหนดวาระการปล่อยวางสังขารในระหว่างที่งานได้เตรียมพร้อมมูลแล้วคืองานที่สานุสิกจัดขึ้นเป็นพิเศษในวาระที่หลวงปู่หายจากอ า, าพาธและทาบุญฉลองอายุครบ8ปดรอบของหลวงปู่ด้วยระหว่างวันที่2 9 3สิ1เอตุลาคม2526 ปิดทั้งฝ่ายบรรพิตและคารวาได้มาประชุมพร้อมเพรียงกันอยู่แล้วไม่ต้องจัดเตรียม ง, งานอีกท่านไม่ประสงค์จะเบียดเบียนผู้อื่นให้ลำบากไม่ว่าจะเป็นสัตว์ใดหรือบุคคลใดเหตุนั้นงานทำบุญฉลองครบรอบอายุของท่านครั้งนี้จึงกลายเป็นงานใหญ่สองงานรวมอยู่ด้วยกัน โดยไม่ได้ขาดวังนอกจากนั้นท่านยังให้โอกาสศิษย์ทุกคนที่มาพร้อมเพรียงกันในวันนั้นได้กราบนมัสการท่านเป็นครั้งสุดท้ายและให้เขาเหล่านั้นได้มีโอกาสกราบเรียนถามถึงข้อปฏิบัติที่สงสัยขัดข้องด้วยท่านได้อธิบายธรรมะและข้อวัดปฏิบัต ให้ฟังอย่างครบถ้วนเสมือนหนึ่งเป็นการทบทวนให้เรียบร้อยสมบูรณ์ไม่มีวิบากของสังขารหลวงปู่เคยพูดว่าท่านจะไม่มีวิบากของสังขาร เมื่อถึงคราวท่นละสังขารจริงๆความไม่มีวิบาตของสังขารจึงปรากฏออกมาอย่างชัดเจนคือท่านปล่อยวางสังขารตั้งแต่สังขารอันนี้ยังไม่แตกดับสังขารอันนี้ยังใช้การได้อยู่ท่านก็ปล่อยวางสังขารก่อน สังขารธรรมหนึ่งอุบัติขึ้นเมื่อวันที่สี่ตุลาคมพุทธศักราช2 4 3พนบะณบ้านปราสาทตำบลเฉียงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ ได้เจริญเติบโตและรุ่งเรืองมาโดยลำดับตามวัยได้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องดีงามอยู่ภายใต้ภ้ากาสาวพัดเป็นเวลานา น, านถึงหกสิบสี่พันศท่านประพฤติปฏิบัติตนกันแบบอย่างที่ดีงามของชาวพุทธตลอดมา เป็นเนื้อนาบุญเอกของโลกท่านเป็นพุทธสาวกอย่างแท้จริงด้บำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์บัดนี้สังขารขันนั้นได้ดับลงแล้วตามสภาวธรรมเมื่อวันที่ สามสิตตุลาคมพุทธศักราชสอง6ั้าร้ยกท่านผู้ังที่เคารพครับนิจจากหนังสืออัตตุโลรำลึกซึ่งเป็นประวัติ ของลุงปูดุลัตุโลหรือท่านเจ้าคุณพระราชวุฒาจารย์แต่เราท่านทั้งปวงก็มักจะรู้ด้วยความเคารพในท่านด้วยชื่อว่าลุงปูดุลัตุโลวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์